สุขเหนือเวทนาเป็นอันว่าเหลือแต่สุขขั้นสุดท้ายคือข้อที่สิบอย่างเดียวที่ต่างออกไปโดยเป็นสุขแต่ไม่เป็นเวทนาหรือเป็นสุขได้โดยไม่ต้องมีการเสวยอารมณ์จะเรียกว่าสุขเหนือเวทนาก็ได้ตามที่ท่านแสดงไว้มุ่งเอาสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทิยตนิโรธ สัญญาเวทียิตนิโรดนี้เป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาจึงเป็นธรรมดาที่จะไม่มีเวทนาอาจมีผู้สงสัยว่าถ้าไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะความสุขเป็นเวทนาอย่างหนึ่งแต่ตามความเป็นจริงความสุขที่ไม่เป็นเวทนาก็มีดังพุทธพจน์ที่ตรัสในเรื่องนี้ว่าอานนท์ คิสุก้าล่วงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวทิยตนะนิโรธอยู่นี้แหลคือความสุขอื่นที่ดีเยี่ยมกว่าและประนีตกว่าความสุขในเนวสัญญานาสัญญาญาตนะนั้นอาจเป็นไปได้ที่อัญญ์เดีรถีปริภาชกจะพึงกล่าวว่าพระสมณะโคดมตรัสสัญญาเวทียตะนิโรธไว้และทรงบัญญัติ คือจัดเอาสัญญาเวทียตานิโรดนั้นเข้าในความสุขด้วยข้อนั้นคืออะไรกันข้อนั้นเป็นได้ยอย่างไรกันเธอเพึ่งกล่าวชี้แจงกับอัญญาดิรถีปริภาชกที่พูดอย่างนั้นว่านี่แน่ท่านพระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติไว้ในความสุขหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ในที่ใดพบความสุขได้ในภาวะใดมีความสุข พระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะภาวะนั้นๆไว้ในความสุขคือจัดเอาฐานะหรือภาวะนั้นๆเข้าเป็นความสุขสัญญาเวทิตนิโรธเป็นภาวะเทียบคล้ายภาวะนิพพานและสุขโดยไม่มีการเสวยอารมณ์หรือสุขไม่เป็นเวทนาแห่งสัญญาเวทีตนิโรธนี้ก็เป็นประดุษนิพพานสุขเรื่องนี้พระสารีบุตรก็เคยอธิบายไว้ในนิพพานสูตร ความย่อว่าครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวกับพิสุท์ทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขนิพพานนี้เป็นสุขพระอุทายีได้ถามท่านว่าจะมีความสุขได้อย่างไรในภาวะที่ไม่มีการเสวยอารมณ์พระสารีบุตรตอบว่านิพพานที่ไม่มีการเสวยอารมณ์นี่แหละเป็นสุขนิพพานที่ไม่มีเวทนานี่แหละเป็นสุข จากนั้นท่านได้อธิบายด้วยวิธียกตัวอย่างภาวะในสมาบัติเป็นเครื่องเทียบเคียงให้เข้าใจโดยนัยยะอ้อมตามคําอธิบายของพระสารีบุตรนั้นท่านไม่ได้ใช้เฉพาะแต่สัญญาเวทียตินิรโรธอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องเทียบท่านใช้ภาวะในฌานทุกชั้นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปทีเดียวเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแง่ที่จะเทียบเคียงเข้าใจความสุขแห่งภาวะนิพพานได้ทั้งนี้มีอธิบายว่า ในฌานแต่ละขั้นตามปกติจะมีสัญญามณสิการคือความคำนึงนึกด้วยสัญญาที่เกี่ยวข้องกับฌานชั้นต่ำกว่าที่ถัดลงไปฟุ้งขึ้นมาในใจได้เช่นผู้ที่บรรลุฌานที่สซึ่งปราศจากปีติมีเฉพาะสุขและเอกกัตตาก็ยังมีสัญญามณสิการที่ประกอบด้วยปีติคอยฟุ้ง้ามาในใจได้การที่สัญญามณสิการเช่นนี้ฟุ้งขึ้นมา นับว่าเป็นอาการรบกวนเป็นสิ่งบีบคั้นทําให้ไม่สบายสําหรับผู้ที่กําลังอยู่ในฌานนั้นๆคําว่าอาการรบกวนบีบคั้นทําให้ไม่สบายนี้ท่านใช้ศัพท์ว่าอาพาธที่ปกติแปลกันว่าความเจ็บไข้หรือป่วยอาการรบกวนบีบคั้นทําให้ไม่สบายนี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เหมือนกับคนที่มีความสุข ถ้าจะเกิดมีความทุกข์ก็คือเกิดสิ่งที่รบกวนบีบคั้นทำให้ไม่สบายโด ย, น, ยนัยนี้เมื่อไม่มีสัญญามานสิการฟุ้งขึ้นรบกวนผู้อยู่ในชานใดก็ดื่มดำในชาตนั้นเต็มที่ดังนั้นภาวะในชาตตามปกติของมันเองแม้ไม่มองในแง่ของเวทนาก็นับว่าเป็นความสุขอยู่แล้วในตัวพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะเห็นว่า ภาวะของฌานเป็นความสุขก็เมื่อเอาอาการรบกวนบีบคั้นเข้ามาเทียบภาวะโปร่งโล่งเต็มอิ่มสมบูรณ์ตามปกติเช่นที่เป็นไปในฌานต่างๆในเมื่อไม่มีสัญญามานสิการฟุ้งเข้ามารบกวนบีบเบียนี่แหละพอจะเป็นเครื่องเทียบให้เข้าใจได้โดยอ้อมถึงความสุขแห่งนิพพานหรือว่าสุขแห่งนิพพานก็คือภาวะที่โปร่งโล่งเป็นอิสระเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ที่ไม่มีอะไรอะไรรบกวนบีบคั้นกดดันแต่อย่างใดเลยวิธีอธิบายของภะษาลีบุทอย่างนี้นับว่าเป็นวิธีให้เข้าใจความสุขโดยเอาความทุกข์เข้าเทียบคือเมื่อสมบูรณ์ดีเป็นปกติไม่มีทุกข์ก็เป็นสุขที่ว่าไม่มีทุกข์นั้นเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบในทางลบคือถูกบีบคั้นบั่นรอนกดดันเหมือนถูกกดให้ยุบลงไป หรือทำให้ขาดให้พร่องต้องแก้ด้วยให้พ้นจากสิ่งกดบีบหรือเติมให้เต็มถึงสภาพสมบูรณ์ปกติอย่างเดิมในทางบวกคือถูกเร้าถูกลนให้ยืดพองเป่งบวมก็เป็นภาวะเสมือนบกพร่องขาดแคลนเช่นเดียวกันต้องแก้ไขให้กลับคืนสภาพสมบูรณ์เป็นปกติอย่างเดิมอีกการสนองความต้องการโดยแก้ไขสภาพที่ผิดปกติไปอย่างนี้ภาษาปุถุชน อาจเรียกว่าเป็นการแสวงหาความสุขหรือการได้เสวยความสุขแต่โดยสภาวะที่แท้แล้วก็คือการเกิดทุกข์ขึ้นแล้วแก้ไขทุกข์ทำให้ทุกระ ง, งับไปหรือทำให้คืนสภาพสมบูรณ์เป็นปกติเดิมนั่นเองวิธีอธิบายแนวนี้ก็ตรงกับความหมายของนิพพานในแง่ที่เป็นภาวะไรโรคมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง อย่างที่กล่าวแล้วข้างตน้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ความมีสุขภาพดีมีความแข็งแรงสบายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วตามปกติอาจไม่รู้สึกว่าเป็นความสุขเพราะไม่ได้เสพเสวยอารมณ์อะไรแต่จะรู้สึกได้ว่าเป็นความสุขยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดเมื่อเอาอาพาธคือโรคหรือความเจ็บไข้เข้ามาเทียบพูดอีกในยะหนึ่งว่าเมื่อเจ็บไข้ จึงจะรู้ได้ชัดว่าความมีสุขภาพดีหรือภาวะไรโรคเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ร่างกายที่ไรโรคมีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์โลง่งไร้สิ่งระคายรบกวนเป็นความสุขแน่แท้ฉันใดจิตใจที่ปราศจากสิ่งมัวหมองรบกวนไม่มีอะไรข้างค้างกังวลไม่เกาะเกี่ยวผัวพันอยู่กับอารมณ์ที่เสพเสวยอย่างใดๆก็ฉันนั้น ย่อมปลอดโปรง่งเปิดกว้างแร่โล่งไปไร้ขีดจำกัดมีลักษณะอย่างที่ท่านเรียกว่ามีจิตใจไร้เขตแดนท่านใช้สั์ว่าวิมาริยาทิกาเตนะเจตสาภาวะจิตเช่นนี้จะให้เกิดความรู้สึกอย่างไรจะเป็นสุขผ่องใสเบิกบานโปร่งโล่งอย่างไรเป็นประสบการณ์เฉพาะที่ผู้หลุดพ้นแล้วมีเป็นพิเศษต่างหากจากปุตรชนทั้งหลาย ซึ่งปุถุชนไม่เคยได้ประสบจึงยากที่จะนึกคิดคาดคะเนให้แจ้งแก่ใจแต่ก็คงพอนึกถึงได้ว่าจะต้องเป็นภาวะที่เลิดล้ำแน่ทีเดียว